มีผู้หญิงคนหนึ่งก็มีฐานะพอสมควรทุกวันเธอก็จะขับรถไปทำงานเป็นร้านขายยาะยะทางจากที่ทำงานไปร้านขายยาก็ไม่ไกลมากนะสองสามกิโลต่อมาเธอก็คิดว่า เลียงานแค่นี้นะขี่จักรยานไปทำงานก็ได้มันทั้งประหยัดน้ำมันลดมดลภาวะแล้วก็ลดความแออัดของท้องถนนแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะก็ขี่จะไปทำงานขี่ไปสักพักใหญ่นะก็นานหลายวัน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 ก็มามาเล่าให้อตมาฟังนะอัตมาก็บอกว่าจะไปทุกใจทำไมนะเขาไม่ได้ด่าว่าหรือกล่าวหาว่าเราโกงเราเคอร์รัปชันเราเป็นคนเห้กแก่ตัวตถ้าเขาว่าอย่างนั้นเสียค่อยน่าคิดหน่อยแต่นี่เขาพูดเพียงแค่ว่าเราจนนะ มันมเห็นเสียหายตรงไหนเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะจนจ ร, จริงๆที่จริงก็น่าจะภูมิใจด้วยซ้ำนะว่าเราได้เจริญรอยตามนะครูบาอาจารย์อย่างพระทั้งหลายนะที่น่าเคารพนับถือทั้งก็จนงนั้นแหละน่าจะภูมิใจด้วยซ้านะเธอก็ก็ได้คิดนะแล้วก็ก็ยังคงขี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 ถ้าใครขับคันใหญ่ๆขับเบ้นนี่ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นพวกมาเฟียหรือเปล่านะเป็นพวกแก๊งอะไรสักอย่างหรือเปล่านะถึงร่ำรวยอย่างนั้นนะลุวลวยนี่ลับไม่ดีนะกลับถูกมองว่าไปในทางไม่ดีแต่ถ้าอยู่ขับรถคันเล็กๆอยู่แบบง่ายๆสมรถานี่เขาไม่มีคำค่อนแคะแล้ว ก, กลับเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้า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 มีเด็กคนหนึ่งนะั้นก็ตามเช้าเช้าเนี่ยโดยพระ ว, วันเสาร์ที่ก็จะตามพระไปบินธบาทเขาไปเองนะพระไม่ได้ชวนก็ไปเป็นเด็กวัดหิ้วของที่พูหลงนี่คนใส่บาทเยอะมากนะทั้งบาทไม่พอนะต้องเอาย่ามไปด้วยสองสามใบนะกว่าจะกลับถึงวันนี้ก็เหนื่อยกันเลย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 แต่ว่าถ้าจะโกงคารับชันนี่ไม่กลัวเลยนะโ ก, โกงคารับชันกันกระเริก ม, มากแต่พอจะซื้อสัตว์สุริตนี่กลัวกลัวคนว่าตามรถไฟฟ้านี่หลายคนไม่เคยกล้าลุกให้กับคนแก่หรือว่าผู้หญิงท้องนั่งนะกลัวกลัวเขาว่านะ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 ะระมัดระวังแล้วก็เตือนตัวเองด้วยว่าอย่าเป็นอย่างนั้นนะเไม่กล้าทำชั่วกลัวทำดีเตรียมรับพร